namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa vidāni attame divase sandipatikāla บททานิสายะกาธิวิภาคะเลมโหบริมหัพยาโพธิสมิตะโมโตโตติ สมภาทานซึ่งอุโบสถประเบญจเวรวิรัตน์และอุโบสถศิลซึ่งจบลงและ เป็นการสดับสติปัญญาๆธรรมะที่จะได้ ตามที่ได้ยกขึ้นย่อมเป็นผู้เจริญดังนี้ภาษาดังนั้นพวก ที่ดีมาพร้อมเพียงกันณ ของผู้ที่มีความยินดีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีความ มันก็มีอยู่มากก็มีประการหนึ่งมากเมื่อจะกล่าว ได้ชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตคือความเป็นอยู่มาโดยดี เจริญไหวความเจริญในทางโลกก็ได้แกบเจริญในด้วยยุทธาบรรดาศัตรูราบยศ ญาณผู้ที่เปี่ยมพร้อมด้วยปัจจัยหรือขาทะลียะโภชเนยะ ขบสมบูรณ์บริบูรณ์นี่อย่างหนึ่งกืนที่อยู่ที่อาศัยตลอดทั้งอาคารบ้านช่องบริบูรณ์ ยาระพิษัชยาสําหรับนอกจากปัจจัยเป็น งาความเจริญ 3 ทั้ง 4 ประการดังที่ คุณผู้เจริญโดยคุณวันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความเจริญเจริญโดยคุณวัน อย่างเต็มความสามารถของเช่นเดียวกับ หมายถึงกายหมายถึงกายกับใจของพวก เป็นใหญ่ในสกลปกติเป็นไป ได้ใจความไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้นานไม่เที่ยงตั้งอยู่ ผู้ที่ครอบยกเว้นเสียแต่เราจะอย่างรู้กันได้ด้วยสติปัญญา สังขารร่างกายอันเป็นที่อาศัยของเสมอวันนี้ นานาประการก็มีคติก็มีกติเป็นเมื่อถึงกติแห่งความเป็น ถือเอาประโยชน์จากสิ่งความเจริญในทาง ความสามารถมองเห็นคือความเป็นจริงที่มีอยู่ในสิ่งนั้นๆอย่างประจักษ์แจ้ง กระทำเพื่อให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ โดยทั่วไปแม้วิหารหลังนี้ก็แสดง อีก 2 ถ้าจะพูดถึงวิชาความรู้หรือแนวทางได้มันก็มีอยู่สองอย่าง ทางเดินในทาง ก็ย่อมจะมีอยู่เป็นธรรมดาแสงสว่างในทางโลกก็มีมีอยู่เป็นธรรมดา เรเราความเป็นอยู่ของเราเห็นถึงแนวทางของก็ถือว่าเป็นวิชา Hãy quàm rú nhằm sẻng sâu so vẳng Hãy gửi khín kè phu tí sực xa Fóa chà nhan phụ rào thân thân lãi Này thi ní Chí hãy phụ rào trúc thân Để lũ hín đổi chắc kèm hoa Phụ rào ทำการศึกษาค้นคว้าในวิชาธรรมพูดกันง่ายๆทําความเข้าใจง่าย ผู้ที่เจริญแล้วด้วยศึกษาขวาความ สเดงไว้ว่าผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญถ้า ในคือเป็นผู้รู้มากคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็น ซึ่งแสงสว่างเราได้มาจากสิ่งภายนอกตาได้มาจมูกลิ้นไก่มโนทวัชสิ่งที่เราจะแสงสีเสียงต่างๆทั้งหลาย รถทั้งหลายทั้งหลายสัมผัสเย็นล้อนอน ถ้าเราจะมาค้นคว้าวิชาความรู้ภายนอกนี้ใส่ตัวของเรา โดยส่วนเดียวและจะจบ เพียงจะเราเรียนรู้แล้วเราไม่สามารถเราเรียนนั้นๆถ้าเราเร ได้สมาทานศีล 5 ได้ไหว้พระสวดมนต์เปี่ยมพร้อม ควรแต่ที่จะยังจิตของเรา ใช่สักว่าแต่การกระทําด้วย ทำนองครองเป็นการปฏิบัติเป็นการศึกษาตามแบบของการปฏิบัติแต่ก็เป็นเรื่องภายนอก แต่ก็ยังดีก็ยังดีจากนั้นเรา 5 ศีลอุโบสถ 8 mm. เพื่อเราจะได้ ดียังผลย่อมกล่าวได้ชอบไม่ชอบ เป็นให้บรรเทาเบาบางลงไปมีอยู่ประจําใน ตั้งความรู้รวมความรู้ทั้งหมดที่แผ่ซ่านไป วันนี้เป็นวันอุโบสถเราเล่งสละละเทหัสถานกิจการทั้งปวงมาสู่สถานที่มี ท่านก็ให้สอนให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นๆทํา ก็หมายติดตามดูการเคลื่อน ได้ยกขึ้นมาเป็นบทเป็นแบบที่จะจิต โดยสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่นั้นก็จะต้อง ถ้ารำพังแค่สติของเราระลึก ประกอบการกุศลจากการฟัง นั้นนั้นจึงจะเจริญเกิดขึ้นแก่พวกเรา ขาดคันไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ ผู้ตัดสรุปซึ่งธรรมทั้งปวงได้ รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนอย่างพวก 4 มีความสําคัญจําเป็นสําหรับมนุษย์และสัตว์อย่างเราๆท่านๆมีกี่เล่ห์กันใดแม้พระ แตกต่างกันอยู่ตรงที่จิตใจองค์พระ แต่การกระทบของเปรี้ยว มันยังเป็นมีทั้งคุณและโทษอยู่เพราะฉะนั้นอะไรมัน ให้แก่ตัวมีแผลอยู่เต็มตัวทั้งแต่หัวจดพื้นให้เพราะฉะนั้นอะไรจะมากระทบแม้แต่ลม จะบอกบอยมากระทบเราก็สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ บางฤดูกาลมันๆร้อนๆหนาวๆเนี่ยก็เมื่ออะไรจะเกิดขึ้นกายของเราเนี่ย เมื่อพวกเราได้อย่างรวดเร็วหลายมาตั้ง การมองฟังและไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีไว้ ไม่เหมือนกับการที่เราได้ค้นคว้าศึกษาในภาคของการปฏิบัติเมื่อ สิ่งเป็นความเข้าใจของเราเราเป็นผู้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นมีในเราถือว่าเรา ถ้าเป็นเกิดศรัทธาพลังขึ้นมามีความเชื่อมั่นวิริยะพลังคือความขยันหมั่น คนเราเมื่อมีความขยันภาคเพียรโลเลนั่นคือสมาธิ ใจของเรากําลังนั่งนอนเป็นทุกข์เราก็รู้ทุกข์เพราะอะไรถ้าเราอยากจะรู้ ที่มาและจะเป็นเหตุภายนอกจากภายในไม่มีผลแม้ในทางโลกก็เหมือนกันถ้าจงกรุณาๆเนี่ยตามที่ ใดที่ว่าเป็นผู้มีความ ถ้าเรามีเจตนาและมีความ แก่พวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่ เหตุและปัจจัยเป็นเครื่องมีความแตกดับสลายไปจากในโลกเป็นที่สุดเกิด ที่จะเป็นที่พึ่งแก่พวกเราทั้งทั้งเอวังก็